วันนี้เป็นวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2558แล้วและก็วันนี้เป็นวันปิยมหาราชอย่างที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวเบื้องตน้นปิยมหาราชคือเป็นวันรัชกาลที่หเป็นวันสิ้นพระชนของพระองค์อองท่านเป็นวันลํำลึกถึงผู้มีอุปกระคุณของประเทศชาติ แล้วรัชกาลที่ห้าเป็นรัชกาลที่ปล่อยทาสทาสพวกทาสสมัยก่อนการซื้อขายคนแล้วกนซื้อเขมาเป็นคนรับใช้เป็นค น, เ ป, น, คนเป็นทาสมาใช้ในบ้านเหมือนกับขี้ค่าขี้ทาสขี้ค่อยขี้ข้ขขาขี้ทาสคล้ายๆกับทํา เ, เจ้านายสั่งยังไง เ, เป็น เป็นค่อยฆ่าเขาอันนี้รัชกาลที่ห้ามองแล้วมนุษย์เป็นอิสระในการเป็นอยูอ่ท่านก็เลยปล่อยให้เป็นอิสระให้เป็นไทยก่อนที่จะเป็นไทยได้ขนคนที่เคยเป็นทาสเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันน ะ, ะฟังฟังดูประวัติของเขาเหมือนกับปล่อยนกออกจากกรงนะนกอยู่ในกรงมันมีอาหารการกิน ถึงจะไม่สนุกสนานถึงจะไม่รวยมันก็มีอยู่มีกินอยู่ในกรง อ, อติดกรงออพอปล่อยออกจากกรงแล้วนั้นไม่รู้จะหากินยังไงบางทีกักลับเข้ามาหากรงอีกก็มีนี่แหละอันนี้ก็คือรัชกาลที่ห้านี่ อ, อท่านมองไกลให้เป็นไทยผลประโยชน์นคนต่างคนพอมาเป็นเดียวนี้แหละท่าน อ, อ, อย่างพวกเราเป็นไทยแล้ยจะขับกลับให้เขาเป็นทาสเนี่ยแปลว่า ไม่มีใครอยากจะเป็นอย่า ง, างนั้นแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นไทยเป็นไทยนี่อิสระกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราจรึงลําลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านมีเป็นผู้มีอุปการะคุณให้กับชาติไทยของเราแต่แ ต, แต่องค์อื่นๆท่านก็คิดเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เด็ดขาดแต่พอมาถึงรัชกาลที่ห้าท่านได้ศึกษาในต่างประเทศด้วย ไปต่างประเทศด้วยรู้เรื่องของชาวต่างชาติทางยุโรปด้วยท่านก็นำมาประยุกต์ใช้มาประกาศใช้ในเมืองไทยของเราเมืองไทยของเราก็เป็นไทยตั้งแต่รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าพราะองค์นี้แหละเป็นผู้มีข้อูประการกับประเทศชาติอย่างมากและเป็นพลทุกมากอีกต่างหากนะทำไมทุกมากเพราะว่าสมัยนั้น ชาวโยุโรปเขาราอาณาจักรล่าอาณาจักรในอาเซียนเออเอเซียของพวกเราเออทั้งโปรตุเกสเออทั้งนันกมาเนยมายึดทั้งอินโดนีเซียอังกฤษกมายึดอินเดียประเทศที่ใหญ่ตัวใหญ่นะใหญ่ตัวใหญ่เนยเฮ้อังกฤษเข้ามายึดแล้วก็มายึดเนี่ยบังคล า, าเทศพม่า แถวฟิลิปปินทั้งหมดในอาเซียนอาเซียนมายึดกระทั่งพมา่าสิงคโปร์มาเลอินอ น, อ น, อ น, อ น, นั่นแนหะพมา่าจากนั้นทางฝ่ายนี่ก็ฝรั่งเศสมายึดขเขมรมายึดลาวมายึดยวนเวียดนามแปลว่ายังเหลือประเทศไทยประเทศเดียวเท่านะั้นเหมือนกับไข่แดงนะเลยไม่ใช่ไข่แดง ไข่แดงใหญ่นไข่แดงเล็กเนี่ยเพราะเปลือกขาวมันมันมากแล้วเกินเนี่ยขนาดอินเดียเขายัางยึดได้กิน ด, ดูซิอ่าอินอินโดนีเซียเนี่ยขนาดไหน ป, ประชากรทั้ง200กว่าเขาก็ยังมายึดยึดได้ไอพมา่าอังกฤษยึดมาเลอินเดียออังกฤษยึดทิงกะโปอินอ่อังกฤษยึดเวียดนาม แคนาเดีฝรั่งเศสยึดนะยังเหลือประเทศไทยแต่นี้ประเทศไทยเขาก็จะแบ่งประเทศอีกเหมือนกันนะ เ, เขาแบ่งแม่น้ำเจ้าพยาเลยในชะ่ไมเาแม่น้ำเจ้าพยาเป็นแกนกลางแกนเป็นแกงฝนะรั่งเศสก็จะแบ่งเอาทางฝากนี้นะอังกฤษก็จะแบ่งเอาฝากนู้นนะ เ, เขาแบ่งกันนะ เ, เขาวางแผนแบ่งนะ ตอนนี้ประเทศไทยรัชกาลที่หเป็นผู้ครองลาดสมัยนั้นแต่รัชกาลที่สี่ขั้นก็มีพระเนตรระกันยาวไกลท่านมาบวช เ, เป็นผู้แต่งตั้งแล้วเป็นผู้กำหนดธรรมยุศเป็นผู้ตั้งบงธรรมยุศขึ้นมาเนะี่ยคือรัชกาลที่สีนะ่นั้นลูกหลานนะออรัชกาลที่สี่ได้แต่งตั้งธรรมยุศขึ้นมาเพราะว่าสมัยนะั้นสมัยสงคราม ข้ามาเข้าม า, า, มาตีกรุงศรีอจุธ ย, ยาแตกในะสมัยนั้นเนะีเอยพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธาศาสนาก็กระจุยกระจายกันแต่เนี่ยไม่เป็นหลักเป็นฐานแต่เนี่ยต่างคนก็ต่างหนีออกไปตั้งก๊กตั้งเหล่าจูทุกหัวทุกหนไลแห่งแต่ที่พูดจะอยู่ในหลักพระธรรมวินยนะัยเนี่ยมันไม่มีแต่เนี่อจากนั้นเกิเรียนแต่วิชาอยู่ยงคงกับพันชาตรีมีอะไรขึ้นมาขนานะ่ะเออ พระประเจตินั้นผ้ า, ายันอย่างนี้อยู่ยงคงกับพัน ช, ชาตรีอย่างนี้เตตะกอเลาะศีกาแปลว่าไม่มีหลักพระธรรมวินัยบ้านเมืองแตกสาแหลกขาดใช่ไหมละ่ะพอ ม, มันเละมานานเหมือนกับพระญี่ปุ่นพระญี่ปุ่นตะก่อนเขาก็พระญี่ปุ่นก็เหมือนกับพระไทยเนี่ย น, นะไม่มีครอบครัวเด็กนี่ก็พอต่อมาพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นว่าประชากร น, น้อยฮะ เอ่ก็เลยให้พระแต่งงานให้ให้มัให้พระมีมีครอบครัวมีเมียได้พูดง่ายง่ายแต่ในพอพระมีเมียได้เท่านั้นต่อมาประกาศให้พระไม่มีเมียไม่ได้ได้ท่านเลยพระมันเคยมีเมียมาแล้วก็เลยมีเมียพระญี่ปุ่นก็เลยมีครอบครัวอย่างทุกวันนี้แหละนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันพระที่มันเคยเลวลงไปแล้วเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยยากทีเดียวนนัแต่รัชกาลที่สี่ขั้นก็ท่านเข้ามาบวช พ่หมู่ตั้งจิตอธิษฐานว่าเออทางว่าพระพุทธศาสนายังจะอยู่ต่อไปยืดยาวต่อไปภายภาคหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้พบพระที่เป็นผู้ทรงศีลภคทรงวินัยให้ข้าพเจ้าได้พบได้เจอด้วยเถิดทาว่าไม่ได้พบได้เจอข้าพเจ้าจะคงลาสิกขาคล้ายๆว่าดูดูแลอ่อนอกอ่อนใจตอนนั้นก็มีพระมอนเข้ามาพระมรเข้ามาท่านก็เลยศึกษาสอบถาม พระมอนองนั้นก็คือเป็นผู้แข่งในวินัยรักษาวินัยจากนั้นก็เลยยกนี่แหละยกองค์นั้นขึ้นมาเป็นแบบอย่างจากนั้นท่านก็เลยเป็นยติเป็นตั้งวงธรรมยศขึ้นม า, อ, าองค์นั้นเป็นแบบอย่างจากนั้นก็เลยมีวงธรรมยศขึ้นมาเนี่ยแหละความเป็นมานะลูกหลานนะจากนั้นก็รัชกาลที่หก็เป็นผู้ปกป้องจากนั้นก็มีการ ในเมื่อมีการแข่งแข่งกันเนี่ยเพราะการแข่งกันมันก็ต้องดีขึ้นมาใช่ไหมเพราะการแข่งเราจะไปทําเลวอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่เรืารแข่งกันขนาดนีน้อย่างเป็นพระสงฆ์ในเมืองไทยของเรามีกฎมีระเบียบดีกว่าต่างประเทศเขามากอย่างพ่อมาเนี่ยถึงเขาจะนับถือพระพุทธศาสนามากกว่าเมืองไทยของเราก็จริงแต่ว่าเรื่องวินัยของพระสงฆ์ในย่อหย่อนนะคณะตธาญาติโยมโลูกหลาน พระสงฆ์ในเมืองไทยของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะตรึงแล่งครัดกว่าในละแวกนี้หลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้พอหลวงพ่อได้ศึกษาได้ถามไทยมาห่ลาหลายๆแห่งลหลายๆนที่พูดที่ไปต่างประเทศนะเดี๋ยวที่พระสงฆ์ถึงพวกเราจะกระอักกระอ่วนเป็นบางครั้งแต่ถึงยังไงก็ตามก็ยังดีกว่าพระสงฆ์ในละแวกนี้ในแถบนี้ในขณะนี้ ทั่วประเทศทั่วโลกพูดอย่างนั้นได้ยังอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ถ้าพวกเราสรรหาถ้าสรรหาต้องการพบผู้ทรงศีลเว้นเสถพวกเราไม่สรรหาก็คงจะไม่เจอไม่พบนะถ้าสรรหาเจอแล้วสรรหานะสสแสวงหาแล้วก็คงจะมีผูท้ทรงศีลทรงธรรมยังมีอยู่ผู้ไม่มีก็อย่างว่าดไม่ว่าวงการไหนพวกเราศึกษาด้วยสิ ขนาดผีภากษาอายการผู้รักษากฎหมายก็ยังผิดทําผิดกฎหมายก็มมีต่างเยอะแยะไปะ พ, วพวกอื่นละ่ะไม่ต้องพูดถึง เ, เพราะพวกชั่วมันมีอยู่กิเลสภายในใจของทุกคนมันมีอยู่มันชั่วใดทั้งนั้นละ่ะผู้ไม่ทําชั่วก็คือพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหรันต์แล้วเอออดชั่วอดดีหมดชั่ ว, ดดวท่านไม่ทําความชั่วแล้วแต่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่นะอย่าหวังเลยว่าพวกนั้นจะ ไม่มีที่รับที่แจ้งต้องมีนะไอ้คนนั้นเรื่องการทําความชั่วเราไม่ได้ตําหนิกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งเราตําหนิกิเลสถ้าใครมีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วนะไอ้คนนั้นพร้อมที่จะทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างไม่วันใดวันหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งได้นะอย่างน้อย ก, อก็ต้องคิดชั่วละถึงจะไม่ทําชั่วก็ต้องคิดชั่วแล้วยังมีกิเลสอยู่นะนี่แหละ อันนี้ก็คือพระในครั้งรอสพ่พอมาถึงรอหก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดท่านก็รอสท่านก็วางแผนท่านในศึกษาภาษาต่างประเทศจากนั้นท่านก็ได้มาดูปกครองพอกรได้รัชการที่ห้าพระองค์มีลูกมากนะรัชการที่สท่านก็เห็นหน่วยการรัชการที่หเป็นผู้ที่จะสืบทอด ตะกูลได้ท่านกลย น, นี่ต่อมาก็ได้คล้ายๆว่าประครบประงมรัชการที่ห้าขึ้นมาจากนั้นเมื่อพระองค์รัชการที่สสิ้นพระช น, นะก็ก็ตั้งแต่งตั้งรัชการที่ห้าขึ้นมาเป็นผู้ครองราชนี่แหละรัชการที่ห้าเป็นผู้มีปีชาสามารถอย่างมากที่พวกเรายกย่องในรัชการทั้งหลายคื อ, อรัชการที่ห้าเป็นผู้ปล่อยทาดวาง ไทท่านให้เป็นไทยออส่วนหนึ่งและก็พร้อมกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเป็นรัชกาลที่ทุกมากก็คือรัชกาลที่หา้าที่เขาจะแบ่งประเทศของตนเองวิ่งใช้วิงว่งขวาวิาวว่งหน้าวิ่งหลังออสู้เขาไม่ได้วิ่งเข้าไปหาเยอรมันวิ่งไปหารัสเซียสมัยนั้นนะออแล้วจะไปวิ่งไปหาอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ยังไงเพราะว่าเป็นเขาจะแบ่งประเทศตัวเองอยู่แล้วใช่ไหม เออก็ต้องไปหาบุคคลที่สามขอร้องใครมาช่วยท่านเหล่านั้นก็ยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศชาติชาติไทยของเราจึงได้อยู่ได้กระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของชาติไทยของเราเป็นมาอย่างไรมันไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วมีโดเดขึ้นมาแล้วมายุคนี้สมัยนี้หลวงพ่ออินดี่แกงกอกเพื่อนทั้งหมดในจักรวาลมันไม่ย่ำไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออหลวงพ่ออินเป็นมาอย่างไร เออเป็นใครเออต้องรู้จักรู้จักกําพืชของตนเองถ้าใครก็าตามไม่ลืมตนเองมองตนเองรู้จักตนเองรู้จักสถานะของตนเองรู้จักการวางเออตัวในการเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดนะลูกหลานนะถ้ารู้จักการลืมเจ้าของเท่านนะั้นแหละว่าข้าเป็นใครนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหะเดือดร้อนวุ่นวายทุกทุกหัวละแห่งเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเออนี่ละ่ะ เจ้าพ้าจอมแผ่นดินปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมามันมีที่มามันมีที่ไปทั้งหมดในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราได้สังเกตไหมจะมีพิธีกรรมพิธีการอะไรก็ตามอันดับแรกไหว้พระอรหังสวาอหังสมาสมุโธะควาจากนั้นก็หน้าโมตัดสะะควาโตแปลว่าอะไรน้โม ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพูดถึงสามครั้งคือระลึกถึงกราบไหว้พระพุทธเจ้าคือประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเป็นมาได้ครอบเพราะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําพิธีกรรมอะไรเราจึงนอบน้อมวันนี่ย ที่เราปฏิบัติอยู่นี่ก็คือความคิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นคิดเป็นต้นศาตราเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นแนวความคิด เ, เมื่อพระองค์ได้ตัดรู้แล้วพระองค์ประกาศพระธรรมพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรรมมขนันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมขนันสินห้าก่อไฉอะไรก็อไฉมีมากเล ย, เยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ พระสงฆ์คือพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่อันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณนะจากนั้นเราจึงนอบน้อมกับนโมตัดสะนะพุทธังทำมังสังขังสระนางคัตฉามิข้าพรเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะเป็นที่พึ่งนี่แหละอันนี้คือประวัติศาสตร์ทั้งนั้น เออบอกเราจะรับสินก็เหมือนกันพอจะรับศินได้กันนัน่นแหะพระสงฆ์กับนโมตัสสะเออแปลว่าสามครั้งอีกเหมือนกันข้าพเจ้าขอนอบน้อมเมื่อพระสงฆ์จะให้ศินพระสงฆ์ก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนนะโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์จเจ้าพุทธทางธรรมบังสร่างขังเป็นองค์ศิน จากนั้นพวกเราจะถวายทานถวายทานแต่ว่าอีมานี่มาอย่างพันเต๋เออ้าวนโมสก่อนนโมตัสสะเอกค่ะคล้ายๆว่านโมตัสสะคานี้ก็คือกล่าวคํานอบน้อมผู้มีอุปกรณ์ุณเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเรานี่แหละเพราะพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะลําลึกถึงประวัติศาสตร์และลึกถึงพระคุณผู้ผู้มีอุปกรณ์ุณนะลูกหลานนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาจากใคร เกิดมาจากพ่อจากแม่ใครเป็นผู้เนรและขุนพ่อแม่ผู้นั้นเป็นผู้ชี้หายเราเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงดูเรามาเลี้ยงมาเพื่ออะไรเลี้ยงมาเพื่อต่อไปภายภาคหน้าเขาจะได้เลี้ยงดูเราตอบเมื่อเราเลี้ยงลูกมาแล้วเราก็หวังว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชะลาแล้วเราจะได้รับเลี้ยงดูตอบเลี้ยงดู เลี้ยงดูเราต่อไปแล้วก็ทํากิจโทระของเราดํารงวงสกุลของเร า, เาแลว้วลูกหลานคงจะประพฤติตนเป็นคนดีที่จะรับมรดกของเราเมื่อเราล่วงลับไปแล้วลูกของเราจะได้ทําบุญอุทิศอุทิศส่วนกุศลให้เราอันนี้คือพ่อแม่มีความตั้งใจที่เลี้ยงลูกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงขึ้นมาแล้วเลี้ยงให้มันใหญ่เฉยๆแต่ไม่ให้เป็นให้มันเป็น หาอยู่หากินไปเหมือนกับลูกเป็ดลูกไกล่ลูกหมูลูกหมาไม่ใช่นาะมนุษย์ของเราเนี่ยได้รับการศึกษาเพราะฉะนนขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นพูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในความเป็นมาของประเทศชาติเป็นมาอย่างไรพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรพ่อแม่ของเรามีพุทธคุณอุปการเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนที่เลี้ยงดูเรามา มีคุณอุปการอย่างไรพวกเราถ้าไม่ถ้าคนพวกเราใช้สติใช้ปัญญานะถ้าใช้ทิฏฐิมานะใช้ความโง่มองไม่เห็นนะลูกหลานนะถ้าทิฏฐิมานะแล้วก็มีความโง่นในใจอีกมองไม่เห็นคุณงามความดีของคนอื่นถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเป็นธรรมเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจแล้วจะมองเห็น อันไหนดีอันไหนเลวอันไหนชั่วอันไหนสมควรไม่สมควรพวกเราจะมองเห็นได้นะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเป็นพุทธศาสนิกชนหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราใช้ปัญญานะีไม่ใช้ให้ศรัทธาอย่างเดียวนะให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาคือความคิดความรอบคอบการกลองไตรตรองหาเหตุและผลนี่แหละพระพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นนะ่ยดูก่อนสารีบุตร ที่เราตถาคตพูดไปเนี่ยตรัสไป น, น, นี่เธอเชื่อไหมภาษาริบุตรกราบทูลว่ายังยังยังก่อนพระเจ้าข่าพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข่าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข้าพระองค์จะกราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าข่าพวกเราฟังเอาไว้นี่แหละพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เป็นแบบไม่ได้สอนให้เป็นเ ส, เสนามัคกีการโคมโคมหวานห ว, วานไม่ใช่อย่างนั้นนะ ถ้ามันขมเอจนตาปี๋อยู่แล้ววิจิตอหัวหน้าบอกว่าให้หวานให้ว่าหวานกับไปว่าหวานตามตามเขาเพราะ้ะไรเพราะว่าถ้าไม่ว่าหวานตามเขากลัวเขาจะไม่ให้รางวันกลัวเจ้าเพราเขาไม่ให้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนไม่กลัวเขาไม่ไม่ให้รางวันกับเราน่ เขาว่าอย่างไงก็ว่าไปตามเขานีพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะพูดตามความเป็นจริงขมก็ต้องว่าตามขมหวานก็ต้องว่าตามหวานสิ่งที่มันไม่ดีจะว่าดีได้อย่างไรถ้ามันไม่ดีก็บอกมันไม่ดีมันมันไม่ดีถ้ามันดีแล้วจะว่าเลวได้ยังไงเพราะมันดีก็ต้องว่ามันดีนะเพราะนั้นพวกเราต้องอยู่ในหลักเหตุและผลต้องมีสัจจะ แต่ถึงยังไงก็ตามนะลูกหลานนะถ้ า, าว่า เ, เขามีอำนาจเหนือกว่าถ้าเราไปแข่งกับเขามากก็ไม่ได้เราก็อยู่ในใจของเรามีรู้อยู่แต่ให้เราก็กล่มก็แล่มจักหน่อย เ, อเพื่อให้มันผ่านผ่านไปแต่เมื่อมีอำนาจเมื่อไรมีความจริงเมื่อไร้านายของเราเป็นธรรมเมื่อไรเมื่อนั้นะเราก็พูดตรงเลยเเต้องเป็นอย่างนี้ แต่ทางว่าบางทีพูดตรงเกินไปมันอันตรายเหมือนกันนะลูกหลานนะตอนนี้ก็ต้องใช้กุจอรสบายต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะหลวงพวอ่อเองไม่ใช่ให้ใช้ความโง่นะใช้ใช้ความฉลาดนะใช้ความอรอบคอบมันมีหลายด้านและเกินความรอบคอบปัญญาตัวนี้นะต่อไปพาสงอัโมทนาให้พรในทนะนนีนะ่ารับพรวันนี้ก็ให้แนวความคิดให้กับพวกเราทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา